พะโวา้าวิโชฆ่าไหว้ข้ามห่วงโหคฆาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะมันก็เลยโว้ไหวอยู่นั่นแหละไปเกิดที่ไหนก็ต้องทวนเอกกระแสะของตัญหาอยู่ตลอดและอันสุดท้ายเรียกว่ากอไผยกอไัยก็คือแวกว่ดงของมิจฉาทิฐิอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าโดยปกติแล้วโลกทั้งหลายไม่ใช่เป็นโลกที่มีสัมมาทิฐิ เป็นโลกที่เต็มไปด้วยมิจฉาทิฐิมันจะต้องมีความคิดที่ทวนกระแสมิจฉาทิฐิเหมือนกับแหวกกอไผ่อยู่ตลอดเวลากอไผ่เนี่ยแต่ถ้าใครเคยทางป่านี่รู้ดีเลยว่ทางยากยาก น, นะตัดหัวตัดตัดที่โคนเสร็จแล้วไม่ใช่มั น, ม, นมันถูกเกี่ยวไว้ตั้งรูก้ก็ค่อยตัดออกทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นโอ้ยกว่าจะเสร็จได้เนี่ยมันยากมิจฉาทิฐิก็เหมือนกันในดงแห่งมิจฉาทิฐิไม่ใช่จะลุยกันง่ายๆข้ามกันง่ายๆ ฝ่าพันง่ายๆสมมุติถ้าถามว่าถ้าพระไตรปิฎกเป็นสัมมาทิฏฐิถามว่าพระไตรปิฎกกระจายแค่ไหนในโลกนี่หรอก็น้อยมากมันผู้เราก็ถือว่าโอโมากต่เลยนะวแวกแวกกันหน้าดูเลยนะก็ขอให้มันแวกสําเร็จเถอะเนาะถ้าแหวกดงแห่งมิจฉาทิฏฐิได้สําเร็จเธอเนี่ยนะ <c oughs> พันต้องมีองค์ประชุมทั้งเท่าไรเท่าไรหาองค์ตอนแรกก่อนต้องให้มีองค์ประชุม แประการแปดประการทัวในครั้งหนึ่งต้องเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธเจ้านั้นจะบรรลุด้วยเพศที่เป็นมนุษย์เท่านั้นสองต้องเป็นผู้ชายเพราะผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ชายสต้องมีเหตุต้องมีเหตุแล้วก็มีอุปนิสัยแห่งอรหัตผลสแล้วข้อ4ต้องเห็นพระพุทธเจ้า5ต้องเป็นนักบวชเพราะว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจะบรรลุด้วยเพศนักบวชแล้วก็ต้องมีคุณธรรม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 จะไม่เป็นคนนิยตามิจฉาทิฐิพวกมิจฉาทิฏฐิค่อนข้างถาวร น, นะนะนิยต์แปลว่าแน่นอนมิจฉาทิฐิที่แน่นอนถาวรแก้ไขา ย, ยากเช่อนอ่ะนะเอเหตุกะทิฐิอากิริยะทิฐิพวกนี้ปฏิพวกนี้เป็นมิจฉาทิฐิพวกนี้แก้ยากแล้วก็ไม่เป็นคนกลับเพศหรือเพศกลับเนี่ยนะหมายความว่าจะไม่กลับไปเป็นหญิงเป็นต้นเนี่ยไม่มีไม่ทำอนันตริยกรรม5อย่าง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 ไม่เกิดในโลกนตนรกเพราะว่าไม่เป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิไม่ทำกรรมหนักนะแล้วก็ไม่เป็นมารในสวรรค์ชั้นกามาวจรไม่เกิดเป็นอสัญญาอสัญญีภพคืออรูปปรมในรูปาวจรขณะเดียวกันก็ไม่เกิดในภพสุดทาวาดไม่เกิดในอันติมาภพนะอันติมภพคือภพสุดท้ายที่จะได้เป็นธาตุหันเนี่ยนะโดยทั่วไปในระหว่างนี้จะไม่มีการบรรลุ ก, ก่อนแน่นอน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 และที่สําคัญท่านต้องมีพุทธภูมิเรียกว่าภูมิแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่สประการนะนะพุทธภูมิคือภูมิแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าคือฐานเรอองรับแห่งพุทธคุณเนี่ยนะอีกสี่ประการสีปรร่ประการคืออะไรหนึ่งอุตสาหะสองอุมมังคะสามอวัธฐานสี่หิตจริยาพระโพธิสัตว์พูดถึงพร้อมด้วยพุทธภูมิเหล่านั้นเนี่ยนะสี่ประการข้อแรกอุตสาหะก็คือความเพียรต้องมีความเพียรกล้า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 สวิเวกัตถยาศัยไม่ชอบพวกมากไม่ชอบคลุกคลี น, นะรังเกียจการคลุกคลีแล้วก็สอโลพัตถยาใัยมีอัธยาศัยในการกําจัดความโลภเอโทสัตถยาใัยมีอัธยาศัยในการกําจัดความโกรธนะไม่โลภไม่ใช่ว่าเฉยเยเนี่ยนะหมายถึงว่ามีอัธยาศัยมุ่งกําจัดความโลภมุ่งกําจัดความโกรธและมีอัธยาศัยมุ่งกําจัดความ หลงก็คือมีอัธยาศัยเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลามีอัธยาสัยเพิ่มพูนปัญญา 6. นิสระักทยาสายอัธยาศัยสลัดออกจากวัตฏะโดยส่วนเดียวก็อย่างที่ว่านิสรณนักทยาสายกับเนคขมัตทยาสายก็คือมองเห็นวัตฏะในภูมิสาเหมือนเรือนจําอยากจะออกเช้าออกเย็นนั่นแหละวระมาณนั้นอันนี้อัธยาสัยทั้ง6เป็นไปเพื่อ บ, บ่มโพธิญาณ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 มีอโทสัทยาศัยมุ่งกำจัดความโกรธเพราะมีปกติเห็นโทษในโทสะมีอัทธยาศัยเพื่อความไม่หลงอโมหะคือมีอัทธยาศัยกำจัดความหลงเพราะมีปกติเห็นโทษในโมหะมีอัทธยาศัยที่เรียกว่า น, นิสรณนัธยาศัยเพราะมีปกติเห็นโทษในภพทั้งปวงอันนี้เป็นอัธยาศัยโดยพื้นฐานของท่านสุเมธบัณฑิต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 ท่านบ่มอินสียห้าอยู่เสมอบ่มศรัทธาวิริยะสติสมาธิและตัญญาหมวดหกคือท่านมีอัธยาศัยหกอนอโลพัธยาสายอะโทสัทธยาสายอะโมหัธยาสายเนี่ยคมัทธยาสายวิเวกัทธยาสายและนิสรณัธยาสัยมีอัธยาศัยหแล้วก็มีปฏิญญาอีกเจประการเป็นพื้นฐาน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 ศกศกทําให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดยะถาภูตยานัศนานิพิทาและวิราคะ mm hmm. แล้วก็ยังมีรำหมด10อีกก็คือบารมีสิบเนี่ยนะเพราะท่านมีอัธยาศัยในบารมีสิบอัธยาศัยในทานศีลเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและอุเบกขานี่ท่านยังมีบุญญกิริยาวัตถุอีก10ประการเนี่ยนะปฏิบัติในบุญญกิริยาวัตถุ10ทานศีล ภาวนาอปจยนามัอยอปจย า, ามัยวยาวจไมัยปฏิทานไมัยปัตตานุโมทนาไมธรรมเทศนามัยธรรมสวรณามัยแล้วก็สุดท้ายที่ถูกชุกกรรมนั่นแล้วก็ยังมีบา ร, รมีเหล่านี้มาแบ่งเป็น30เส้าเรียกว่าบา ร, รมีสิบอุปปา ร, ร, รมีสิบแล้วก็ปรมาทบารมีสิบพื้นฐานมหาบริจากอีก5าประการนั่นทั้งหมดเหล่านั้นเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณตลอดระยะเวลา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 ก็ยังไงยังไงก็จะ่ไนะได้อาจารย์ที่ท่านอุสา์ร่ำเรียนมาตั้งน้อนั้งสียสงไข่ก็จะได้จบขนาดนี้นะไม่เชื่อท่านไม่รู้จะไปเชื่อใคร